สามรมรัการหลวงพ่อดิเลกแล้วก็คณะสงฆ์ทุกทูนนะคะดิฉั น, เ, นเกื้อกูลหรือว่าน้องที่ใครรู้จักค่ะวันนี้ก็ต้องขอกบขอบคุณเลยค่ะแม่ตาหลวงที่ให้โอกาสมาสัมภาษณ์ณในที่ชุมชนมีผู้คนมากมายได้ร่วมร่วมรับรู้ในคันหาของดิฉันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสนั้นดีค่ะค่ะก็ หลวงพ่อจะให้ยงค่ะก็คือที่ไปที่มาของการทำวิทยานิพนธ์ที่ฉันได้ทำเรื่องการศึกษาการเจริญสติในชีวิตประจำวันตามคำสอนหลวงพ่อเทียนเจริญสโพก็มีเป้าประสงค์ว่าในสมัยต่อไปเนี่ยในสังคมไทยของเราเนี่ย โอกาสที่ผู้คนจะไปเจริญสติในอย่างสถานที่ในที่ปฏิบัติธรรมจะน้อยลงเพราะว่าสังคมไทยของเราเนี่ยถูกมีชีวิตที่รีบเร่งแล้วก็รับตัวนะคะหลายท่านหลายคนก็อยากจะศึกษาอยากจะเข้าไปปฏิบัติธรรมแต่มองว่าเป็นเรื่องเสียเวลาบางคนก็ขาดโอกาสเหล่านั้นก็เลยได้คิดทำให้ใจเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาว่าเผื่อบางคนบางท่านได้โอกาสที่จะได้อ่านนะคะอาจจะรู้ว่าอ๋ออันที่จริงแล้วการเจริญสติมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปประพฤต์ไปปฏิบัติที่วัดเสมอตลอดไปนะคะถ้าเราไม่มีเวลาเราทําอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะทําด้วยกับการงานหรือว่าหน้าที่การงานก็ได้นะคะแล้วก็ ในวิจัยเรื่องนี้ก็ได้กำหนดให้ดิฉันไปสัมภาษณ์พระเถระอยู่สี่ท่านนะคะก็มีหลวงตาศิริยาแล้วก็พระภยรัยาลวิสาโลแล้วก็พระหลวงพ่อมหาดิเรกนะคะที่เราได้รู้จักกับท่านดีแล้วก็มีใตาจารย์กสินแล้วก็ดิฉันก็ขออนุญาตสัมภาษณ์คุณแม่พิกุลเดกหนึ่งท่านนะคะคุณแม่พิกุล กละอาจารย์กสินก right? mm ็ไ hmm. ด <te> ้ส <ifa> yes ัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยอีกสามท่านก็คือหลวงพ่อธีรกแล้วก็หลวงตาจิรญาและพระไพศาลนะคะซึ่งสองท่านหลังนี่เป็นโจทย์ที่ยากมากอย่างสมควรค่ะก็ที่มาที่ไปของวิญาณที่นก็เป็นอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อจะเป็นการสัมภาษณ์คนเดียวนะค่ะมาก็จะเชิญครูตายคุณตุ๊ก คุณอะไรคุณเปิ้ล น, นะมาร่วมด้วยคุณตายขยับมาขึาน้นมาหรือว่าบางทีมุมองในการสัมภาษณ์มันต่างเนใสนทนาทำมานะก็ ใ, ใ, ให้เกิดการหลากหลายสำหรับผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วมีประสบการณ์คุณตายคุณจีคุณเปิ้ลนะก็ทำไมเปี่ยนเป็นชุดดังเวลาคุณเปิ้ล ดิเชื่อเดี๋ยวคุณจีมีตั้งหลายตัวหยิบให้สักตัวนึ่งหยิบเลยเอาคุณเพิ่นช่วยด้างหน้าคุณเพิ่นส่งขึ้นข้างหน้ายุ้ยเนะไปได้ช่วยกันเริ่ม ท, มที่เริ่มที่คุณน้องก่อนพี่เนเลยค่ะค่ะก็ในคำถามแรกนะคะก็เป็นคำถามที่ถูกกำหนดมาจากรูปแบบพัทยาณิพนธ์นะคะก็ จะกับเรียนถามหลวงพ่อเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งว่าหลวงพ่อชูวิตเราเดิมอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้านอำเภออะไระเนียค่ะชูวิตเราเดิมแล้วก็มาโดยโด ย, โดยคนอำเภอเด่นชัยในจะังหวัดแพร่ก็เกิดที่นั่นเป็นมาตุกคนิที่นั่นค่ะแล้วก็หลวงพ่อได้อุปสมบทมากี่บรรษาแล้วเนะะี้ยค่ะ มาบท น, นี้ได้ปศสองร้อยสิบนะแล้วก็อสดสมบ ท, บบท 5, ปศสอง5้สิบห้าป็นีนมีหาพรรษาปีพระปศสองนี้ปั่นห้ารอสิบห้าจนถึงปงัจจุบันปศเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วสี่ี4สี่สิบเก้าปีแล้วฮะเอ้าไม่รู้นะ <c oughs> สี่่อยู่มาเรื่อยๆอ๋อถ้าบดเป็นเน้นก็แค่สี่สิบเก้าปีนะคะหลองพ่ อ, อ, อสี่สิบ ว่าี่หอสี่่งานังมินนั่งานังมินค่ะแล้วก็อยากกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อได้พบแนวทางการเจริญสติรูป<ช>แบบเคลื่อนไหวตามคำสอนของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเนี่ยกี่ปีแล้วคะออกมาพบหลวงพ่อเทียนติตะปีสองห้่สีบเก้านะแล้วจะลงมือปฏิบัติจีิจังนี่นก็สมพัน้อยี่สิบแล้วก็ เป็นว่าเข้าใจจริงจนมาถึงปศสองพร้อยี่เก้าถึงจะเข้าใจค่ะหลวงพ่อได้พบหลวงพ่อเทียนเองหรือว่าจากการแนะนําของพระท่านอื่นพอขอ น, นานนั้นมาโดยไปศึกษาตอนปศสองพันร้อยสิบหกเนี่ยาทางวัดปรีโงงสาวสาทเมื่อก่อนศึกษานักธรรมบาลีอยู่ที่วัดตรีโงสาวาทอินเทปนะค่ะต่อมาก็เป็นป้า ที่เป็นมหาบวชแล้เป็นมหาป ร, ริญญาปีนั้นก็มีพระใหม่บวชด้วยกันสี่สิบรูปทางเจ้าว่าท่านก็เลยให้เป็นหัวหน้าดูแลพระนวากาักก<ฮ>ัตทีนี้ออกพรรษาแล้วก็เลยพระนวักกัอยากจะไปสฉลมโมกก็เลยพาพระนวักกัไปสฉลิมโหมทางท่างที่ไม่เคยไปนะะ<ฮ>ก็เลยพาไปก็ไปทู้จากของพ่อคุรุธาปีพศ1116ก็ได้ศึกษาปฏิบัติอนาปนานสติขั้งแรกหลวงพ่อคุรุธา ดังนั้นแล้วก็ติดต่อมาเรื่อยเอยจนพอ่อช่วง118กนะ็เริ่มมาจากนั้นในไปสมมตุตนเองก็ได้พบทุศิตหลวงพ่อปัญญา น, านาั้นวงพ่อพุทธธาตุที่เราชอบอ่านหนังสือของท่านชื่อว่าอาจารย์เฉมา น, านานะันทะทะี่เป็นตอนนั้นท่านบวชเป็นพระฟิกซูอยู่กนะ็ติดตามงานของท่านการอ่นานห น, น, นังสือการฟังบรรยายของท่านเราถืว่าท่านก็มาปฏิบัติตามแนวทางของพอเทีนในก <ทะ S 1> าสต่อมา มาก็ได้รู้จักหลวงพ่อเทียนโดยสาร ท, ท, ท, ท, ท่านแปนเทมานันท ะ, ะแล้วก็ตามมาพบท่านท่านเองอ๋อค่ะแล้วก็หลังจากที่หลวงพ่อได้ปฏิบัติตามเจริญสติตามคำสอนหลวงพ่อเทียนแล้วหลวงพ่อได้พบความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากการปฏิบัติในสภาวะของหวพ่อนะคะอ๋อเช่น ในช่วงที่เราศึกษาวิธีการโวดเดียนยอมรับว่าเป็นวิธีที่ยอมรับยากเ<ะ>พราะอะไรพ่อเราเคยศึกษาแบบนั่งหลับตาอนนานาปนสติแบบสมวนโมก็นั่งหลับตาสมุด ล, ม ห, ลมหายใจนับลมหายใจเนี่น ะ, ะต่อมาก็มาศึกษาแบบหนอแต่วัดมหาธาตุเรียนมหาจุฬาอยู่ด้วยเรียนมหาอะไรมหาจุฬาเนี่ยก็พบหลวงพ่อ โต ด, โ ด, โดุกเป็นตุคุณธรรมะิราชมหาโมนีทีเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายิพัฒาของเบอร์หัตถะก็เรียนต่อท่านปีนึงก็นั่<ะ>หนงหลับตากําหนดยิ่งเอาผงหมือกันก็น<ะ>กไม่ไม่สุขนิสัยพวกนันเด็กเพราะว่านั่งปฏิบัติก็แล้วมันง่วงนั่งทีไรก็ง่วงไม่รอดนะก็ เ, เลยมาพบพิธีการการ็เรียนโดยผ่านอาจารย์ชวิตนี่นะะแล้วก็มานั่งปฏิบัติแบบอย่างที่เราทําเนี่ยทําอยู่หลายปีเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันไม่สงบทำไปแล้วมันก็ยังคิดยังทุ้งอยู่เหมือนเดิมแต่ชอบตรงที่ว่ามันทำได้เรื่อยๆทำแล้วสนุกอ่าก็เลยพอทำสนุกก็ทำเรื่อยๆเพราะว่าถือว่าชอบจี่ใจชอบทางด้านกรรมฐานอยู่แต่ว่าไปนั่งแบบแบบตาแล้วเนี่ยมันไม่สนุกเราก็ไม่สมันไม่สงบเหมือนจะสงบแต่ไม่สงบนะเหมือนสงบแต่วิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยเหมือนจะไม่สงบแต่มันสงบ ก็เลยชอบวิธีนี้มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพอสองหนึ่ร้อยี่สิบไปต้นมานะค่ะแล้วก็วกทางความคิดความโลคความกดความหลงได้เปลี่ยนแปลงไปยังยังไงบ้างคะหลวงพ่อหลังจากฝึกวิธีแล้วนี่เราได้เห็นว่าความโรคกวดหลงที่มารูลักษณะของความชอบไม่ชอบอะไรต่างมันก็ลดบรรเทาเาบาบางลงเรื่อยๆแต่ว่ามันหมดไปวันไหนเดือนไหนปีไหนไม่รู้แต่มันเปลี่ยนแปลงไป เรื่อยเหมือนจะไปไปสุงมขอนเป็นขอนใหญ่ๆไปสุงมอยู่ไม่ไม่ดับนี่นะวันหนึ่งมันก็ไม่หมดเป็นที่เท่าหมดทีนี้ในช่วงที่มันปฏิบัติอยู่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยได้เห็นความได้เห็นความไม่เอาไหนของเราเองนี่นแหละ การปฏิบัติที่ภาสนาต้องไม่เห็นความต้องเห็นความไม่ไม่เอาไหนของตัวเองไม่เห็นความชั่วของตัวเองแหละเพราะเราทุกเพราะความไม่ดีของตัวเองใช่ไหมแต่เราปฏิบัติแล้วเราเห็นความชั่วของตัวเองเราก็หยิบออกเรื่อยๆแเมื่อก่อนมันไม่เห็นปฏิบัติต่างๆเนี่ยมันไม่เห็นมีแต่เห็นแต่ตัวเองดีแต่ไม่เห็นตัวเองชั่วแต่พอมาศึกษาวิธีการปฏิบัติก็เห็นเห็นความชั่วของตัวเองเรื่อยๆว่าโอ้ที่เรามีความทุกข์มีปัญหาเพราะเพราะเราเป็นอย่นี้เอง เราต้อได้รู้นิสัยของตัวเองเพราะนั้นวิจัรณนาแบบของพ่อเทียนทำให้เรารู้จักตัวเองรู้จักตัวเองดีอย่างไรรู้จักตัวเองช่วอย่างไรและรู้จักตัวเองดีก็รักษาความดีนั้นไว้เรื่อยๆรู้จักในส่วนที่ไม่ดีก็เอาความไม่ดีออกไปเรื่อยๆมันก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ ะ, <น>ะแล้วก็หัวใจหลักในการเจริญสติตามคาสอนหลงพ่อเทียนคือ คือความรู้สึกตัวที่ว่าดูกายเคลื่อนไหวดูใจนิคิดดูกายเห็นจิต ด, ดูคิดเห็นธรรมเนี่ยเป็นเป็นตัวที่หลักสำคัญนะเมื่อก่อนนี้เราเราเคลื่อนไหวแต่เราไม่รู้เราเคลื่อนไหวนะเราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไปคิดว่าอ่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติรราตแต่พอมาเห็นกายเพ็เนะท่านเน้นว่าปฏิบัติตัวนี้ให้รู้กายเคลื่อนไหว เข้าใจของเราเมื่อก่อนเราเคลื่อนไหวใจใจเราไม่รู้ที่นี่จะไปรู้ที่อื่นไม่ได้รู้การเคลื่อนไหวของตัวเองแต่พอมารู้กายเคลื่อนไหวมันก็เห็นใจเพราะอะลรพราะกายเคลื่อนไหวได้เข้าใจใช่ไหมพอเห็นกายเคลื่อนไหวก็เห็นใจด้วยมันเคลื่อนไหวอย่างไรกายเคลื่อนไหวออกมาเป็นความคิดแต่ใจกายเคลื่อนไหวออกมาเป็นการทําใจเคลื่อนไหวออกมาเป็นความคิดพอเห็นทั้งสองอย่างเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดด้วยมันก็เลยชอบดู พอวันหนึ่งมันคิดร้อยอันพันเรื่องนี่เยอะแยะมากพอเราสนุกไปในการดูความคิดปั๊บมันก็ไม่สนใจที่จะดูเรื่องอื่นแล้วเมื่อก่อนทคิด้องเราส่งออกพราะเราไม่เห็นกายเคื่อนไหวไม่เห็นใจนึกคิดพอไม่เห็นใจยเคื่อนไหวใจคิดมันก็สนุกในการที่จะไปดูเรื่องอื่นมันก็ลืมไปมาดูปัจจุบันเขายิ่งดูมันก็ยิ่งเห็นยิ่งเห็นมันก็ยิ่งรู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะแล้วก็มีโฟกาสได้ชาระดีใจเรื่องไหนที่ไม่ดีก็สลัดไป ไม่คิดต่อไม่ทําต่อเรื่องไหนมันดีก็ทําเรื่องนั้นบ่อยๆคิดต่อทําต่อมันก็พัฒนามันนด้านการเปลี่ยนแปลงของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็หลวงพ่อคิดว่าการเจริญสติคนคนเป็นไปเพื่ออะไรคะอ๋อการเจริญสติเป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญา<ะ>ให้เกิดสมาธิและปัญญา เมื่อสรสติสมาธิปัญญาแล้วตัวเสร็จตัวสมาธิปัญญานั่นเองก็เป็นตัวเข้าไปสู่มรรคผลตามที่พุทธญาณท่านตรัสเพื่อที่จะไปทำลายกิเลสอัสวะนั่นเอง <สะ S 1> ทำให้เกิดปัญญาหลับเนยใหญ่เลยนะคะในระหว่างที่กำลังเจริญสติอยู่เกิดอาการเช่นอาการตึงเครียดเราจะแก้อย่างไรครัหลวงพ่ออ๋อแน่นอนเวลาเรา ตามุติเราไม่ไทำไ ม, ไม่ไม่นั่งอยู่นานๆหรื อ, อสร้าง จ, าจังหวะเดินจูงกลมอะไรที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยเราไม่ได้นั่งนานๆเราจะเปลี่ยนกิจกรรมไปเรื่อยๆใช่ไหม<ะ>มันจะมีเรื่องสนุกเรื่องน่าทำไปเรื่อยๆแล้วแต่ความคิดมันจะพาไปทําแล้วก็คิดว่าอันนั้นคือธรรมชาติของคนอแต่พอเรามาตั้งใจทําแบบอยู่ั น, นานๆเนี่ยมันก็ตอนแรกมันก็ไม่ไม่รับเพราะจิตมันเคยไปใช่ไหม พอเรามาตั้งใจไม่ให้มันไปมันก็ต้านมันจะไปเราไม่ให้มันไป็ไปดึงกันไปดึงกันมาจนเหนื่อยมันก็เกิดอาการเครียดความไม่สบายแต่ทีนี้เมื่อก่อนเนะี่ยเราอยากเราอยากทําตามอารมณ์อยากตามความคิดแล้วก็วิ่งตามความคิดแต่พอมาเจริญ ก, กรรมฐานแล้วเนี่ยเราอยากจะได้กรรมฐานความอยากของเราเนะี<อ>่ะอยากได้อารมณ์อยากจะได้สติอยากจะได้สมถอยากได้ปัญญา ยิ่งอยากก็ยิ่งเร่งทํายิ่งเึ่งยิ่งเครียดยิ่งเค่งยิ่งต้องเพื่อจะเอาเมื่อก่อนอยากจะได้สิ่งที่มันจับได้ต้องได้แต่นี้เรามาอยากให้สิ่งที่จับต้องไม่ได้มันก็ยิ่งเครียดใหญ่เลยเนี่ยค่ะจนก็ยิ่งหนักจนกระทั่งว่ามันก็ตึงเครียดก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เพื่อจะแก้อย่างไรค่ะท่านจะบอกว่าทําให้สบายสบายอย่าไปเอาทําแล้วเดี๋ยเอาแล้วมันยิ่งเครียดแต่ทําแล้วไม่เอานี่มันสบาย ก็ลองทำแตบไม่เอาเอ๊ะเราก็แปลกใจว่าทำไม่เอาทำไปทำไมแต่<ะ>ผบอกว่าถ้าทำกับวัตถุเนี่ยทาเพื่อจะให้มันได้ <c oughs> แต่ถ้าทำกับนมามธรรมเพื่อจะทำแล้วเพื่อจะเอาความละความอยากได้ออกไปแต่เราจะได้ด้วยความไม่อยากเข้าใจนะสิ่ง <c oughs> ที่เราได้คือความไม่อยากแต่ถ้าเราทำไปแลว้วอยากมันก็ยิ่ง เครียดยิ่งทุกข์ไปเรื่อยๆะนะอันนี้คือความความหมายของมันอย่าง<อ>ที่หลวงพ่อเคยสอนที่แพรก็คือเปลี่ยนอรนนิยบทก็ได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนอริยบทที่เครียกก็เปลี่ยนอ่าคือเมื่ททกอก่อนเนี่ยเราทําตามรูปแบบแบบสมถะแบบสมถะนี่จะจํากัดอริยบทว่าต้องนั่งทุกแบ บ, แ บ, บนะไม่ว่าจะเป็นหนอพุทโธสมัมมาหังต้องนั่งขาวขวาทับข า, าซ้าย มือขวาตั้มือซ้ายตั้งตัวทรงดำรงสติมันตำรวดลมหายใจเข้าออกมันจะมีแบบความตายตัวเลยไม่ว่าสำนักไหนนะแต่พอมาในวิธีการของพระเทียนเราทำไปแล้วมันรู้สึกไม่สบายก็เปลี่ยนให้มันสบายผ่อนคายไปเรื่อยๆเพราะวิปัสสนา น, นั้นทำเพื่อให้รู้จักความทุกข์ให้รู้จักความสบายไม่สบายไม่ใช่เอาความสบายไม่สบายมาทำร้ายตัวเองแต่เอาความสบายมาสบายเป็นเครื่องมือในการพัฒนากายใจของตัวเอง มันก็เสบายมันก็ไม่ความเครียจะแก่ได้ง่ายแล้วถ้าเกิดอาการง่วงนอนนะคะเสียง่อนนะอาการง่วงเป็นเทปการเท่าไหร่นะอาการง่วงค้าหลวงพออาการง่วงนี่มีทุกคนถ้าหากว่าคนไหนทำกรรมฐานไม่ง่วงนะถือว่าผิดปกติมาไม่ถูกทาง <c oughs> ทําเราง่วงแสดงมาถูกทางเลยทีเดียวเนะี่ยเพราะตัวง่วงเนี่ยมันเป็นตัวเข้าไป เรียกว่าเข้าไปทางไปถูกทางของมานมานมันก็เลยออกมาต่อสู้เรามันใช้อาวุธชิ้นแรกมาสู้เราคือบังคับให้เราง่วงนั้นแสดงว่ามาถูกทางอันไหนก็ตามถ้ามันไม่ถูกถ้าหากว่ามาไม่ออกมาต้านไม่ใช่ทางพุทธแต่ถ้าหากว่าทางไหนก็ตามที่มีมารมีมมนิวรนเข้ามาต้านนั้นถือว่าเป็นทางถูกแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องง่วงก็ต้องมาก่อน แล้วเราจะมีวิธีแก้ไขก็คือเรารู้ว่าความง่วงมาจากอะไรใช่ไหมความง่วงก็มาจากความที่เราชอบสบายอะไรชอบสบายแล้วก็ไปเสพความสบายพอเสพความสบายเสพไปเสพมาฟั๊บเนสติมันเข้าไปอยู่ในอสติมันถูกความคิดความง่วงดูดเอาไปกินพอสติสัญญาถูกความคิดความง่วงดูดไปกินปั๊บเนี่ยความหนักหน่วงควาอสลืมสะลือความอลืมตัวลืมตัวก็หายไป ความความม่วงดูดออกไปสิ่ง ท, ทีแก้ก็คืออเราก็จะไปเข้าไปในความเพลินอย่าเข้าไปในเพอาะอาการมันมีก่อนที่จะม่วงใช่ไหมมันจะเรื่องยังไงก่อนเวลาม่วงใ ช, ใช่ไหมมันสบายๆแล้วก็อหลับตาหลับตาแล้วก็แช่ลงแช่ลงกบบไฟเลยทีนี้อันนี้รูปแบบของมันเพราะนั้นต้องรู้เหตุของมันว่าความม่วงเกิดจากความชอบใจในความสงบ แลวความเพลินและความสุขเมื่อเราไปเสียสุขกลมันระมันเข้าทางเขาก็ดีเลยเขาก็ล่อเราไปฆ่า <c oughs> วันนึงก็ถูกจีงหัวหลายหลายครั้งวนะันน่ะวเราก็โดนใช่ไหมโดนทุกวันเลยใช่ไหมโดนถูกมานจีงหัวมากบ้างน้อยบ้างนะแต่เราก็คอจะไล่มันนะไล่ออกบางคนก็ไล่ได้บางคนก็ไม่เห็นก็ไล่ไม่ทันก็เพราะฉะนั้นความม่วง หรือเรียวกว่านิวร์เนี่ย น, นะหรือน้ำนิทราวิทย์เนาะนิวร์เกิดมาจากเราไปชอบใจแล้วไปติดใจความสงบและความสบาย<ม>แต่ถ้าเราเห็นว่าความสงบความสบายนี้<ม>เป็นเพียงเครื่องมือของวิปัสสนาแล้วไม่เข้าไปเจ็บแล้วก็ปับออกไปเสียเวลาสบายขึ้นมก็ปรับออกไปเวลาไม่สบายก็ปรับออกไปปับเรื่อยๆแล้วมันจะไม่ง่วงแต่ส่วนใหญ่ลราอดไม่ได้เพราะเป็นอาหารโอดนะค <c oughs> ือความชอบใจในในความสุข ใครก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมทำแล้วไม่ทําแล้วมันไ ม, ไม่ไม่สงบไม่สุขจะทําไปทําไมใช่ไหมมันได้แล้วก็ต้องเสียบว่าไงก็เสียบแล้วความง่วงก็ต้องมาอนะ่านี้เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนะแล้วถ้าเกิดเกิดความสงบะะลงแล้วคะหลวงพ่อเราจะแก้ยังไงค ะ, ะทีนี้บางครั้งนะมันมันมีสติสัมยาดีมันไม่ง่วงมันเกิดความสงบเข้ามันเข้าฌานเข้าสงบไปในเบื้องต้นเนี่ย ความสงบที่ประกอบด้วยสติสัญยาเนี่ยถือว่าเป็นฌานระดับหนึ่งนะ<ม>ก็ถ้าเราไปพอใจปับ๊บฌานตัวนั้นมันจะกลายเป็นอุปสรคนะ<ม>ที่เราไปเสธสุขใน<ม> เ, รเรียกว่าในฌานในความสงบ<ม>ทีนี้ถามว่าในวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยเข้าฌานได้ไหมเข้าได้แต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นยาน<ม>สงบสักพักมันจะเปลีป่ยนเป็นตัวรู้ และตัวรู้รู้ตัวนี้จะให้เบาสบายเพราะฉะนั้นตัวฌานถ้ามีสติชี้ยะมันจะเปลี่ยนเป็นตัวยานปัญญาเป็นตัวปิจิตตัวเปล่าหมดแต่ถ้าหากว่าเราสติสัญญยะเราอ่อนตัวฌานตัวนี้ก็จะกลายเป็นนิวร์ต่างๆขึ้นม า, าแล้วก็จะไปติดสงบพอไปติดสงบแล้วเวลาเราไปทำํำเราก็จะพยายามหาความสงบพยายามเปนยิ่งแคหลับตามันก็จะไปขัดกับหลักการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวเนี่ยเราต้องการความสงบไม่มากต้องการเพียงขัินกะสมาธิหรือเบจาระสมาธิแล้นะไม่ต้องการเข้าถึงขั้นอัปปนาสมาธิเพราะนั้นสงบได้แต่ว่ า, ยาอย่าเสพหรืออย่าติดแต่พยายามที่จะพิจารณาความสงบเนี่ย เข้าไปดูให้รู้เอาความสงบนี้เข้าไปดูไปซึ่งดูอาการของจิตของใจของเราว่าขณะนี้จิตใจเราเป็นยังไงจิตใจเลยสบายหรือไม่สบายจิตใจมีการปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งเราใช้ฌานตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นยานปัญญาแล้วยานปัญญาตัวนี้ก็จะไปทําหน้าที่ใ น, ในการเข้าดูกายเข้าดูใจเพื่อแก้ปัญหาเพราะกายใจของเรานี้มันมีปัญหาตลอดเวลาถ้าเรา ม, ามัวไปติดสงบกุ๊บเราก็จะดีมีกายดีมใจ ในสุก็จไม่เห็นปัญหาเพราะนั้นตัวสมาาถะจึงไปสู่ที่ที่ลึกเกินไปจะไปสู่วิปัสนาไม่ได้แต่ตัวสมถะในขั้นต้นเป็นพระนิกายสมาธิหรืออัปนาอุปจรารสมาธิเนี่ยเข้าไปสู่วิปัสนาได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นส่วนดีนะส่วนไม่ดีก็คือเราไปติดนั่นเอง <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดอาการวิปรารนะคะหลวงพ่อ การนิพพานนี่มันจะเป็นีไไน้ไม่ได้เป็นแค่ง่ายๆน ะ, <ฮ>ะต้องปฏิบัติกันสามปีห้าปีเจ็ดปีนี่นแหละแต่ถ้าผู้ปฏิบัติใหม่ๆนี่อย่างมากก็เป็นแค่วิปชนูขั้นลำดับขั้นมันเนี่ยปฏิบัติแแรกถ้าคุณไหนที่เคยทำสมถะมาก่อนเล่นสมถะม า, มามากแล้วพอมาทำวิปชนามันจะเข้าทำให้เราเข้าใจผิด ก็จะผิดว่าสมถะเนี่ยเป็นวิปัสนาคือเอาความสงบน่ะเป็นเป็นวิปัสนาแต่คนจริงแล้วตัววิปัสนูนี่มันเป็นตัวที่ดีคือทําให้เราคิดดีทําให้เราคิดในทางที่อะอะไรล่ะในทางที่อยากจะเผยแพร่อยากจะสอนคนอยากจะไปรู้นั้นรู้นี้รู้อะไรหลายอย่างเพราะนั้นวิปัสนูมาจากคำว่าวิปัสนาบวกอุปกิเลช่วยต่มันจะคือวิปัสนูอุปกิเล คืออุปสรรคของวิปัสนาซึ่งทั้งหมดมันมีต้องหลายอย่างนะมีทั้งสิบกอย่างนีปัจจุบันกิเลสเนี่ยคือย่อๆก็คือตัวที่เราจะเริญวิปัสนาไปแล้วเนี่ยเราไปเห็นไตรลักษณ์พอไปเห็นไตรลักษณ์ปั๊บเนื่องจากสาติสัมปชัญญะปัญญาของเรายังไม่เข้มแข็ง oh. เราก็เลยไปตกหลุมของความรู้ตกเข้าไปในความรู้มันเราจะรู้หลายอย่างรู้นั้นรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้แหละ รู้นะลกรู้สวรรค์เห็นนั่นเห็นนี่เราก็าไปสําคัญว่าสิ่งที่เรารู้เราเห็นอะเป็นตัววิปัสนาแล้วจะพูดตามนั้นทําตามนั้นแล้วบางครั้งเนี่ยมันเกินพอดีพูดก็พูดเกินพอดีอแล้วทําอะไรมันมันทำผิดแปลกแตกต่างจากเพื่อนไปอะทําให้เห็นว่าเราไม่พอดีในในสิ่งที่เรารู้นะอยากจะทํา เพราะนั้นพระที่จิตอารมณ์ตัวนี้แล้วก็อยากจะไปสอนโยมอยากจะไปสร้างวัดอยากไปสร้างสำนักถูกมารล่ อ, อไปกินหมดเลยนะโทษสิวิปัญนานี่นะไหนายความว่ายังไม่ไปถึงไหนแต่สําคัญผิดคิดว่าตนเองรู้แล้วอันนี้คืออุปสรรคของนิพพานาคือทําให้เกิดความสําคัญผิดเป็นอกุศลันหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่มีโยนิโสงอนิิการคือไม่แยบขายเพราะขาดการแนะนําของครูบาอาจารย์ที่ไปทําเอาเองหรือบางที เรียนรู้จากครูาอาจารย์แต่พอเกิดปัญห า, หาเกิดปริษัทเรื่องนี้ขึ้นมาแฟนที่จะไปบอกให้ครูาอาจารย์ได้ทราบแต่เนื่องจากสำคัญตัวเองผิดไปแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันถูกนะก็<ฮ>ะเลยไม่ต้องไปบอกครูาอาจารย์ก็ทำตามสิ่งนั้นแต่ไม่รู้ว่านั้นจะเป็นวิปัสสนูจงกระทั่งว่าไปทาอะไรเยอะแ ย, ยะไปมารู้ทีหลังก็สายแล้วแต่ถ้าหากว่า อ่าบางคนรู้ตัวว่าเออนี่เป็นปนิพพานุเมื่อก่อนเราไม่เคยเป็นนี้เมื่อก่อนเราไม่เคยคิดอย่างนี้มันเด๋ยวมันทํำไมเป็นอย่างนี้เกิดเห็นความผิดปกติของตัวเองแล้วไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะชี้อให้ทําแต่สําหรับวิธีการของโคดเทียนถ้าคนไหนติดนิพพสนุแล้วถ้าเข้าไปหาท่านท่านก็จะบอกว่าให้กลับมาหาตัวเองคืออย่าไปติดตามความรู้ที่รู้นั้นไปคืออย่าไปตามความคิดไปแม้มันจะคิดดีขนาดไหนก็อย่าไปเอามาเป็น อารมณ์ให้กลับมาสู่ความรู้สึกตัวมาอยู่กับรูปกับนามมาจากความรู้สึกรูปนามได้ชัดเมื่อเราไม่ไปคิดตามที่มันอยากจะรู้อยากจะคิดมันมาอยู่ความรู้สึกตัวล้วนๆวิปาสสุก็หายแต่ในกรณีที่คนที่สำคัญผิดคิดว่าตัวเองรู้แล้วเนี่ยแล้วไม่ไปยอมไปหาครูบาอาจารย์แล้วก็ทำตามที่ตัวเองรู้ ท, ทั้งทงที่มันผิดในที่สุดมันจ ะ, ปะเปลี่ยนเป็นวิปลรราสพอเปียนวิปลาสมันแก้ไม่ได้ละ แล้วก็คนนั้นก็เสียคนไปเลย <ฮะ S 1> อันนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่เราถือว่าคนนั้นได้ทําวิบากกรรมมาถึงไปติดอารมณ์ตัวนั้น <ฮะ S 1> แต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําวิบากกรรมาหนักหนาแท้โหมันก็ไม่เป็นหรอกเพราะนั้นไม่ต้อง ก, กลัวมันน ะ, <ฮ>ะออให้เคบอกให้อาจารย์ได้ทราบว่า <c oughs> ฉันเป็นี้มนถูกลูกสาว <c oughs> อันนี้ก็จะแก้ได้แล้วก็หากเกิดความติดเนี่ย ตอนปีติค่หลวงพ่ออ๋อตอนแรกมันจะเป็นทีปัสจุบมันต้องมีปีติก่อนค่ะอ๋ยสัมผัสรูปนามเบื้องต้นมันจะเกิดปีติใช่ไหมค่ะสัมผัสรูปนาเบื้องต้นหมายถึงว่าได้เห็นกายเห็นใจของตัวเองแล้วเห็นกายตัวเองชัดเห็นใจตัวเองชัดมันเกิดปีติเกิดปีติน้ำหูน้ำตาไหลหรือเกิดปีติตัวเบาสบายเกิดปีติที่ไม่เคยเป็นมาก่อนะรู้สึกว่าปิติในในทำแล้วก็ทาทํามากเข้ามาเข้าตัวปิติที่เอง พอขยันทำเพราะได้เห็นอะไรขั้นแรกมนันรู้สึกดีใจใช่ไหมย ข, <อ>ขยันทําอย่างอาจารมาหลงพ่อเคยทําเนี่ยพอไปรู้จักเรื่องนี้แล้ว<ๆ>เดินนักคืนเลยนะต<ๆ>ั้งแต่สองทุ่มถึงตีสี่ทาอยู่สองสามวันปรากฏว่าติดใจวิปัสนาเลย<ๆ>ปฏิใจวิปัสนาหลวงพ่เทียนท่านเห็นปีตอนนั้นปฏิบัติอยู่กับท่านนะท่านก็มาแก้ให้แก้ให้ก็ผ่านไปง่าย ๆ, ๆอันนีน้ถ้าหาว่าปฏิบัติถ้าครูบาอาจารย์ท่านเห็นแล้วก็เราบอกท่านเนี่ยจะแก้ได้ไว แต่ครูอาจารย์ไม่เห็นแล้วก็ปฏิบัติแล้วไม่บอกท่านว่าเป็นอะไรมันจะติดไปเรื่อยๆแล้วมันจะแก้ยากแต่อีกอย่างหนึงถ้ากลับมาอยู่ความรู้สึกตัวแล้วมันยังออกตัวความคิดดีไม่ได้ท่านบอกให้อยู่ปฏิบัติสักพักหนึ่งคือค อ, อย่าไปเล่นปฏิบัติให้อยู่ไปสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปเองแต่ถ้าไม่อยู่ปฏิบัติไม่คบครูอาจารย์มันก็จะเป็นขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะค่ะ แล้วก็อันนี้ต่อมาเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันค่ะหลวงพ่อเราจะนำกันเจริญสติยตามคำสอนของพ่อเทียนมาใช้กับตัวเองอย่างไรคะแนควาจริงแล้ ว, ใ, วในผลเบื้องต้นนะค่ะถ้าเราเริ่มปฏิบัติการเจริญสติแบบนี้เนี่ยผลเบื้องต้นมันก็คือทำให้เรารู้ว่า การจะดึงกายจับใจมืออยู่ด้วยกันทำอย่างไรเบื้องต้นนะเ<ะ>บื้องต้นให้ให้ให้รู้เรื่องนี้ก่อนถ้าปฏิบัติวิธีนี้ยังไม่รู้จักวิธีดึงกายกับใจมืออยู่ด้วยกันก็ถือว่าไม่ถูกวิธีนี้<ะ>แต่เราเน้นว่าเออถ้าคิดออกไปกลับเข้ามาคิดออกไปกลับเขา้ามากลับมามันก็มาเห็นอะไรละมาเห็นกายกายก็จะมีความสบายไม่สบายให้เห็น ความสุขความทุกข์ให้เห็นเมื่อใจของเรากลับมาดูกายปับ๊บเห็นความสุขความทุกข์เห็นความสบายไม่สบายในที่สุดมันจะเกิดปัญญาปัญญาอันแรกที่เห็นก็คือเห็นรูปนามว่ามันเป็นอันนี้จังของพนัตตาก็จะเห็นใจรักเมื่อเรารู้จักใจรักเราก็รู้จักว่าอ๋ออันนี้คือความคิดอันนี้คือความรู้สึกมันจะแยกเป็นก่อนหน้านี้แยกไม่เป็นก็เนื่องความรู้สึกกับความคิดเป็นเรื่องเดียวกัน แต่พอเรามาเจริญสติบ่อยเข้าบ่อยเข้านานเข้านานเข้ามันเกิดปัญญาขึ้นมาอ๋ออันนี้ความรู้สึกมันไม่คิดนี่แต่ถ้าเราไปคิดแสดงว่าเราลืมความรู้สึกดังนั้นเราก็ขยันมาทําความรู้สึกมากขึ้นเมื่อขยันความรู้สึกมากขึ้นมันก็เลยไปทําให้ทําอะไรเมื่อก่อนเนี่ยเราก็นึกว่าเราทำแล้วคิ ด, คดที่เราทําทําตามความคิดแต่พอมาเข้าใจรูปนามแล้วเนี่ยมันจะทําตามความรู้สึกมันจะไม่ไปจากความคิดค พอเราทำารํำตามความรู้สึกที่เป็นความรู้นิรู้ๆๆตัวปั๊บเนี่ยกายกับใจมาอยู่ด้วยกันบ่อยเข้าเข้ามาันจเบาพ อ, บอเบาแล้วมันก็เลยทํางานสนุกเมื่อก่อนเราทํางานปรารพ็อยากจะได้เงินทํางานเพื่อจ ะ, อะให้เขาว่าดีทําดีทำํำงานให้คนอื่นเนี่ยก็อยากให้เขาชื่นชื่นชมหรือ ย, ยกย่องให้เขาชมตัเองว่าดีแต่ปารพสิ่งข้างนอกการทําการทํางานให้ดีเนี่ย ตาลบุคนหรือตาลบสิ่งข้างนอกเป็นเหตุแต่หลังจากเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยการทํางานมันตาลบว่าการสึกกายสึกใจให้ดีด้วยกันยิ่งปฏิบัติยิ่งสนุกแล้วก็มีความสุขในการทํางานเพราะอะไรยิ่งยิ่งทำมันก็ยิ่งเห็นกายจะเห็นใจตัวเองเมื่อก่อนเราทํางานเราไม่เห็นใจเห็นใจตัวเองเราเข้าไปในความคิดหมดเลยทํางานแล้วรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากเรียกร้องให้คนอื่นมาช่วยเรียกร้องให้คนอื่นมารู้ เรียก้องให้คนอื่นมาดูว่าตัวเองทํางานหนักขนาดไหนใช่ไหมค่<ฮ>ะเพราะฉะนั้นหลกการทํางานเมื่อกอนเับปลารกคนอื่นสิ่งอื่นเราถึงขยันทํางานเพื่อลูกเพื่อมียเพื่อสามีเพื่อภรรยาเพื่อพ่อเพือพ่อแม่เราปลารกคนอื่นแต่หลังจากเรามารู้สึกตัวแล้วเราทํางานเพื่อปลารกทำแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานเป็นผลสอยได้แต่ผลที่แท้จริงกลับว่ามันเป็นความสุขที่ได้ทํางานใช่ไหมมีความสุขในการ เช็ดผ้าเช็ดพื้นมีความสุขในการกวาดพื้นมีความสุขในการล้างถ้วยล้างจาน ม, มีความสุขในการซักผ้านี่อันนี้สงูง <c oughs> ก็ทําให้เราขยันทํางานขึ้นแล้วทํางานมีความสุขแล้วก็มีความสุขในการทํางานเมื่อก่อนเราทํางาน ด, ด้วยความทุกข์ใช่ไหม <c oughs> ต้องการอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราทํางานต้องการอยาได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ ง, งานต้องการหาราคาในงานแต่หลังจากมาเข้าใจธรรมะแล้วนี่เราต้องการที่จะ มีความสุขที่เกิดจากการทํางานโดยการกา mm. ดึงใจย mm. ดึงใจมาทํา mm. ด้วยกันเสมงานก็เลยกลายเป็นการปฏิบัติธรรมดีนี้นะะเลยแล้วก็ใช้กับเจริญสติเป็นหลวงพ่อเทียนใช้กับครอบครัวข่ะงพ่อ อ, พอ๋อแน่นอนถา้าเราขยันทําการทํางานเนะอยู่กับคนไหนก็เขาก็รักอะใช่ไหม<ะ>มีสามีสามีก็รักมีภัญญาขยานันปฏิบัติก็รักนอกจากตัว เ, เป็นคนพูดมาก บนญตู้ขี่ขี้บนหลังจากปฏิบัติเข้าใจแล้วการเป็นคนสงบเงียบยิ่งง่ายในพูดเพาะอย่างนี้นะที่โมโหที่โมโหที่ตรงที่อันในอย่างมันก็จะลดลงเพราะอะไรพอมารู้อันนั้นคือความทุกข์เมื่อก่อนคิดว่าได้ทำอย่างนั้นแล้วมันมันมันสุกขใช่ไหมแต่มารู้ว่าอ๋อมารู้ทีหลังว่าพอเข้าใจแล้วโกดก็คือโง่โมโหก็คือบ้าอท่านโสดทั้งโง่ท่านโกรทั้งโมโหทั้งโง่ทั้งบ้ามันเลยเข้าใจอย่างไรเลยนะมันก็เลยอาย ละอายตัวเองในสิ่งที่ทาไม่ดีในสิ่งที่เจ็บปวดึี่โมโหก็เกิดละอายขึ้นมาเพราะสิ่งนี้มันไม่ดีเอามาทําไมแตเมื่อก่อนเราไม่คิดว่าโรคปวดหลงเป็นของไม่ดีนะคือนึกเป็นของดีะได้โกรธถ้าไหล่ก็ยินดีได้โมโหแล้วแสดงอำนาจแต่พอมาเข้าใจอ๋อไอสิ่งที่ไม่ดีมันจะออกมาจากกายเจ็ใจของเราเองเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องนี้แล้วในสิ่งก็เริ่มปรากฏเริ่มมีสิ่งละ นะเพราะงั้นจะอยู่กับใครที่ไหนเขาก็ชอบเพราะอะไรเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงเราเป็นคนใจดีขึ้นใจเย็นขึ้นทําอะไรก็เรียบร้อยทําอะไรก็ดีงามในครอบครัวท่ากหลายๆคนก็จะมีความรักความสามัคคีกันส่มขึ้นอนะเป็นที่รักของเพื่อนนะถ้าสามีมาปฏิบัติก็เป็นที่รักของภรรยาภรรยามาปฏิบัติก็เป็นที่รักของสามีถ้าลูกเจ้ามาปฏิบัติก็เป็นที่รักของพ่อของแม่เนะี่ยครอบครัวก็ดีขึ้น แต่ว่าต้องมากันครอบครัวถ้าครอบครัวถ้ามาคนเดียวทั่งรูมกินโตแน่เลยเหมือนครูตายว่าทั้งครอบครัวมาทั้งครอบครัวหลายหายครอบครัวมาที่นี่มาทั้งครอบครัวใช้กับการทํางานบ้านไปด้วยถือว่าเราจะเจริญสติไปกับการทํางานบ้านก็ถือว่าการปฏิบัติธรรมการทํางานคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติงานคือการเจริญสติมันจะถืออย่างนั้นเลยนะแล้วจะกลายเป็นคนขยัน ยันทํางานนิยมคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านคอนี่เจืออยู่กรุงเทพเขาอาปฏิบัติทําไสาอื่นมาก่อนนะปฏิบัติทํามสาหนอมเมื่ก่อนที่พอมาพบ ว, วิธีการของพ่เทียนฟักเนี่ยเขาก็มาลองดูก็ปรากฏว่าเขาตั้งใจปฏิบัติเขามีพื้นฐานทางสมถะเมา่ก่อนตั้งใจปฏิบัติก็ได้ผลปรากฏว่าในบ้านของแกนเมื่อก่อนมีคนใช้ไปสิบสี่คนเลยนะหลังจากกลับบ้านแต่ละข่าวในแกน ไปทํางานด้วยตัวเองคนใช้ถูกหวดไปทางอื่นที่เราคนสองคนในที่สุดเหลือแต่คนเดียวงานอะไรทาเส้นหมดเลยทีนี้ตักผ้าเข้าเปไฟเอาความสะอาดอะไรอย่างทำเองหมดเลยปรากฏว่าลูกน้องที่อยู่ในบ้านไม่มีงานทําก็ได้ออกไปทำเต้ามักันเนี่ยคือคือคิดว่าก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เห็นว่าการทํางานคือตามปฏิบัติธรรมแต่เมื่อก่อนที่เราให้คนอื่นทําแทนหมดไอ้ตัวเองหรือไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาคิดว่า ตัวเองเป็นคนเป็นเจ้านายคนอื่นเป็นคนใช้แต่หลังจากปฏิบัติธรรมแล้วอ๋อเราเอาธรรมะไปให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัวก็เลยตัวเองไปททำหมดเลยนะอันนี้ข้อดีของมันนะวันนั้นกลับไปบ้านขยันขยันเองน ะ, ะ, ะขยันเองนางห้องน้ำทำครัวค่ ะ, ะถ้าใช้สมมติว่าเราจะเจริญสติ ขณะที่เดินทางขึ้นรถนั่งรถหรือว่านั่งเรือไปด้วยนะฮหลวงพ่อมันจะมีวิธีแะนะนํำไหมอย่างคนที่มีเวลาน้อยอย่างเงี้ยอจริงๆแล้วถ้าเข้าใจหลักมันนะ<อ>เข้าใจหลักว่าการที<อ>่รักษาใจอยู่กับปัจจุบันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเพราะนั้นเราจะขึ้นรถไปเรือนั่งเรืออะไรต่างแล้วก็ถือโอกาสได้เจริญสติยาวๆอยา่ยางมาเนี่ยไปนั่งซึบ ไปต่างประเทศบ่อยๆที่ได้10ชั่วโมง12ชั่วโมงนะถือว่โอกาส <c oughs> ได้เจริญสติยาวๆได้พักไปด้วย <c oughs> อาะไรที่เจนเหนื่อยใช่ไหมเราก็ได้เจริญสติแล้วก็ได้ว่าออกมาทํานู่นทํานี่มันทําให้เราสนุกในการหรือ ท, ทำในเรก็มีความสุขขับรถก็เหมือนกันนมากรณ์ว่าคุณขับรถแล้วคุณมือลูกโป่งอะไรคุณก็รู้สึกตัวละ ขยับนู่นขยับนี่เมื่อก่อนนี้นั่งแช่ตลอดใช่ไหม<ะ>หลังจากเจริญสติปีนแล้วเนี่ยมันรู้สึกปับตัวเองโยกหน้ายกหลังให้รู้สึกตัวขับรถก็ไม่เหนื่อยใช่ไหม<ะ>เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าถ้าเมื่อก่อนเราเห็นความตึงความเครียดเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่หลังจากมาเจริญสติแบบนี้เราฝึกในการบําบัดแก้ไขความเดินความเครียดความไม่สบายของร่างกายเมืเ่อไปขับรถมัก็เกิดอาการช่นนะ้นเหมกันใช่ไหมเราก็ถือโอกาสบําบัดไปด้วยยกหน้ายกหลังมีการ พอขับรถทั้งวันก็ไม่เหนื่อยแล้วทีนี้เพราะอะไรเพราะมีการปรับร่างกายให้ให้สมดุลให้เหมาะสมเสมอดังนั้นการเจริญสติแบบนี้จึงไม่เป็นกุญสักกับการทํางานแต่กลับให้เราทํางานได้ดีป่ะเพราะเรารู้จักบําบัดแก้ไขความรออกไปเราจะใช้ลมหายใจหรือว่าใช้นิ้วสัมผัสไปใช้ใช้ทุกส่วนเลยอใช้าข่า่าปากให้ใจโดยเฉพาะเวลาเราเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรกนอนไม่หลับใช่ไหม เวลาจะถึงเวลาหลับโอ้ยวันนี้จะหลับไม่น้อยจะหลับอย่างไรอะไรต่างโศนสบ า, ายกลัวจะไม่หลับแต่ถ้าหลังมาเจริญสติแบบนี้แล้วโอโห้หลับง่ายมากเลยนะโอ้โหถึงหมอนก็ไปเลยแล้วก็ฝึกอานาปนสติเวลานอนตามลมหายใจเข้าออกสั้นยาวตอนแรกๆนี่อาจจะยากหน่อยพอทําำ่อยเข้าทําทุกวันทุกวันก็ถือโอกาสว่าเวลาเราเข้านอนได้ปฏิบัติอานาปนสติแต่ตอนแรกก็ฟิกมือเล่นนะ โอยมันหลับเช้าไปดูลมหายใจดีกว่าก็ดูลมหายใจมันละเอียดก็ดูบใบดูมามันก็เข้าไปในความรวงงังเลยง่ายๆ น, น, นี่ก็เป็นอุปกรณ์ในการแก้ปัญหาการนอนหลับได้กับการเดินทางด้วยเราเคลื่อนไหวม่ได้ทํา ไ, ทได้หมดเลยะแล้วก็ใช้กับการทํางานบริษัททัางร้านหรือตามองค์กรต่างๆที่เราต้องอยู่กับคนามากๆถ้าหากว่าเราเจริญสติแบบนี้แล้วนี่อเอามามี อญาติยโยมหลายคนที่ที่อเมริกานี่ก็ทําทงานโดยเฉพาะคนไทยไปทําทงานจอฟรั่งจอฟรังเซียเขาดูถูกเราอยู่แล้วใช่ไหมไป <c oughs> ทำงานแล้วเขามาจากกดจะข่มจะเอารัดเอาเปรียบแล้วก็คนงานในอเมริกาเนี่ยบางทีมันไม่ใช่คนอเมริกามาจากเกาหลีญี่ปุ่นมาจากฟิลิปปินมาจากจีนอย่างเงี้ ย, ยซึ่งมันก็อิจฉาหรือตียากันโดยในอยู่แล้วเนี่ยทำงานเอารัดเอาเปรียบกัน เป็นพยาบาลเป็นทำงานในสถานการศึกษาเนี่ยทีคนที่ไม่ได้มาเจริญสติเนี่ยจะลำบากใจมากเลยเป็นทุกข์ในการทํางานเพราะถูกเอาละาลนักเียบถูกกดถูกคงพอภาษาก็ไม่ดีแล้วก็เรื่องการทํางานบางทีก็เทคโนโลยีของเราบุญด้วยของเขาเนี่นะทักษาไม่ดีแต่คนที่เขามีปัญหาเขาไม่เจริญสติเขามาปฏิบัติรรมปรากฏว่าพอทํางานเข้านั้นเข้าเกิดทักษ่าทาให้เขาใจเย็นลงที่ถูกยั่วถูกยุ่ถูกดูถูก ดูหมิ่นเบียดแย้าเะไนต่างก็ยิ้มได้เฉยได้พราะนั้นเขานั้นเข้าปราศว่ากลับเป็นที่รักของเจ้านายอถ้าหากว่าคนบางคนอย่างพวกอสุคริกเนี่ยที่เขาเป็นที่เขาไม่ชอบคนพูดนี่นะเขาก็จะเอาเปรียบแล้วเขาภาษาเขาดีกว่าเขาก็ว่ากันไหนกันไหนขอฟ้องเจ้านายอาจารย์ทีนี้เจ้านายก็เขาก็ดูคนเลยนะะปราศว่าเจ้านายเข้าใจกลับว่าคนที่ พยายามเอาชนะเนี่องยอ ง, องยก็เลยบอกว่ายืนหยัดในการทําใจแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเปการกดข่มบีบบังคับตัวเองก็เกิดเครียดใช่ไหมพอหลังจากเจริญสติแล้วเนี่ยมันใช้ความอดทนด้วยปัญญาที่เราพูดกันอ่ะใช่ไหมใช้ขันติและใช้ปัญญาด้วยไม่ใช่กดกดก ด, กดกดกดว่าอย่างเดียวยิ่งกดมันก็ยิ่งเครียดยิ่งทุกแต่พอมาเจริญสติมันเกิดปัญญาพักเออ เราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเราจะเริ่มมองละเพราะอะไรเพราะการเจริญสติฝึกให้เราเป็นคนแก้ปัญหาแต่แก้ที่ตัวเองก่อนเ<ะ>มื่อแก้ปัญหาของตัวเองเป็นคนอื่นก็ไม่ยากลแล้ะแก้เขาได้นะอันนี้คืออันนี้สงการเจริญสติสามารถแก้ปัญหาในการทํางานได้ได้ง่ายขึ้น<ะ>แต่ถ้ า, าว่ายังแก้ไม่ได้แสดงว่าการปฏิบัติของเรายังไม่ถึงนั่นเอง<ะ>เลยนะะ เ, เราจะปฏิบัติพร้อมกับการเต็ม การทำงานได้ไหมหลวงพ่อตอนนี้การทำงานก็ยางเขาก็เป็นบัตรอย่างนี้ใไหแล้วก็อย่างเวลาครูอาจารย์ที่เขาสอนหนังสือนะคะเราจะเจริญสติเอาการจวิธีการเจริญสติไปใช้ยังไงคะหมายถึงครูอาจารย์ผู้สอนหรือว่าเราผู้เรียน ครูอาจารย์ผู้สอนเดี๋ยวจะมีเราผู้เรียนต่อเขาก็อย่างอย่างที่มาเนี่ยทําหน้าที่สอนนี้ใช่ไหม<ะ>มันก็ง่ายขึ้นน่ะเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอยากจะให้คนฟังเนี่ยฟังเราแล้วอยากให้คนฟังเนี่ยคิดอย่างเราอ่านะแล้วก็อยากให้คนอื่นเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะะแต่พอเรามาเจริญสติีแล้วเราทําตามหน้าที่ทํางานให้สนุกแล้วมีสุขในการทํางาน เราก็เลยมีความสุขในการที่จะบอกจะสอนคนอื่นเพราะเขาจะเอาไม่เอาเป็นเรื่องของเขาแต่ให้เราทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่เรืความสุขเมื่อคนฟังมีความสุขเราเห็นแล้วก็มีความสุขด้วยเ็เหมือนว่าเราบอกทางมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่อยากจะให้เขาดีอยากให้เขารู้อยากให้เขาเข้าใจอย่างที่เราคิดแต่พอมาเข้าใจหลักอันนี้แล้วอ๋อคนทุกคนเนี่ยเราจะเข้าใจว่าแต่ละคนพื้นฐานไม่เหมือนกัน บางคนพื้นฐานมายาวบางคนพื้านมาสั้นบางคนพื้นฐานมาดีบางคนพื้นฐานมาไม่ดีเขาก็รับได้เท่าที่ขอรับได้เหมือนเราเทน้ําใส่ขวดบางขวดมันใส่เต็มแล้วกับเทนิดนึงบางคนมันยังไม่ไม่มีเลยก็ใส่เยอะหน่อยมันจะเคยรู้ใครขาดเท่าไหร่ใครเกินเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้เราจะอมุ่งให้ทุกขวดเนี่ยให้ได้หมดเลยมันไม่ได้เรายิ่งเทมันก็ยิ่งล้นไปหมดเลย ยิ่งขาดาทีเราก็มองม่เห็นเขาขาดอะไ ร, ระยิงไม่ได้ใส่เลยนะมองไม่เห็นแต่พอมาเจริญสตินี่มันมองเห็นว่าใครขาดเท่าไหร่ใครเพืนเท่าไหร่มันก็ทําให้เราไม่ต้องไปบังคับเขาต้องต้องเอานะที่ทําตามสบายแต่ก็เป็นเพื่อนกันในการแลกเปลี่ยนนะเขาอาจจะมีดีกว่าเราบางอย่างเราก็า จ, จะมีดีกับเขาบางอย่างก็แลเกเปลี่ยนสิ่งที่ดีกันนะักเรียนผู้ฟังอ า, าจจะมีสิ่งที่ดีกว่าเราเอามาแลกเปลี่ยนกัน แเราก็มีบางมุมที่อดีกว่าแล้วก็ให้มุมนี้เพราะฉะนั้นการสอนการทํางานในฐานะครูอาจารย์คีอการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันแต่เราคิดว่าเราเป็นครูบอาจารย์เนี่ยจะทุกข์มากเลยอยากจะให้เขาได้อยาให้เขาดีอย่างที่เราคิดไม่ใช่แต่ว่าเรากําลังแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เราขาดแต่กันได้กันมันก็เลยมีความสูในการให้หอนนก อันนี้เป็นเด็กนักเรียนค่ะเวลาเขาเรียนหนังสือด้วยเนี่ยจะมีจะเจริญสติได้เออด้วยไหมคะการที่ปัจจุบันเด็กของเรามีปัญหาเรื่องอที่เก็บเรียนหนังสือสมาธิสั้นแล้วก็ปัญหาหนัสือเรียนเยอะเครียดใช่ไหะตรงนี้เองที่โรงเรียนลุงอรุณได้ได้ติดต่จอธรรมาไปสอนอยู่เช่นสองสามปีแล้ว พ่อเห็นว่านักเรียนไม่มีความสุขในการเรียนพ่อแม่ก็หวังสูงมาอยากให้ลูกเรียนดีๆพอไปโรงเรียนครูก็บังคับให้เรียนตามวิชานั้นนักเรียนเลยถูกกดทั้งข้างล่างข้างบนใช่ั้มมันก็เลยเครียดแต่พอรรงเรียนลูกอลุนเขารู้จักปัญหานี้ปั๊บเขาแก้ไขด้วยการให้เด็กเนี่ยลงมือทาในสิ่งที่เขาอยากเรียน คือเด็ไม่บังคับให้เรียนคือทํางานให้เด็กสนุกในการเรียนแต่นี้เราตรวจว่าเขาต้องการให้เด็กเนี่ยได้ศึกษาเรื่องสมถานด้วยที่สมถานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะให้เด็กรับใช่ไมค่ะนี่เขาก็มาพิจารณาว่าเอจะเอาวิธีไหนไปสอนให้เด็กชอบในด้านปฏิบัติธรรมด้วยเพราะเด็กชนีดมีสมาธิดีมีความจำดีแล้วมีความประพฤติดีเขาก็ทดสอบอาจารย์ประภาภัทรผู้เป็นเจ้าของโรงเรียนลูกวรุณเขาก็เลยไป อาตัวเองเนี่ยไปสืบผลตางสํานักต่างๆนะไปสืบผลจากนอบ้างจากอนัปปนสติบ้างจากพุทโธบ้างแล้วก็เอาครูไปปฏิบัติจากสํานักต่างๆแล้วครูมาสอนนักเรียนมาเสนอให้นักเรียนพอมาสอนนักเรียนปรากฏว่ามันบางคนรับได้บางคนก็รับไม่ได้ก็ไม่ทั่วถึงนะ เอจะทำไงให้มันรับได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งครัวอาจารย์เนี่ยวิธีไหนในที่สุดก็มาเจอรู้สึกของพ่อคือหลวงตาอาจารย์สิยาเนี่นะก็ลองอาจารย์สิยาเนี่ยเข้าไปอบรมสอนก็ปรากฏว่าเอานักเรียนก็สนุกครัอาจารย์ก็สนุกที่ต่อมาเอางานมาเยอะขึ้นหลวงตาสิยาก็รู้สึกป่วยไม่สบายนะมีมีอุบัติเหตุ ก็เลยคนที่จะสอนต่อมันก็เลยมาติดต่อให้หลวงพ่อไปทําแทนหลวงพ่อก็เลยเข้าไปทําอีกสองสามปีมาปีนี้คนก็เยอะขึ้นนักเรียนก็เยอะขึ้นที่ที่โรงเรียนลุงอรุณก็เลยไปสร้างศูนย์แห่งใหม่เพื่อศูนย์ครูสติสถาน อ, อยู่ที่ทุ่งคู่นะฮะที่บางมดถ้าใครอยู่เทียก็กไปที่นั่นทมาก็เลยไปทำนี่เนี่ยปีนี้เป็นปีที่สองละนั่นจะเห็นว่าวิธีการของพรูเทียนนั้นทั้งนักเรียนทั้งครู ถ้าทำสูงน ะ, ะก็จะรับได้ทั้งหมดเลยเอามาก็เลยนิมนต์พระฤาษีเนี่ยถ้าเด็กกุศุลไปอยู่ประจำที่โรงเรียนนั่นเลยเข้าไปเป็นครูที่เลี้ยงของครูที่นีที่แทนที่จะไปสอนนักเรียนโดยตรงนะแต่ไปฝึกครูทีแรกเอามาฝึกครูที่นั่นพอปีต่อมาเมื่อานาไปต่างประเทศมากขึ้นจะต้องไปสอนอยู่ที่อพุทธศตวรรษใหม่ด้วยก็แห่ถ้าเด็กกุศุลสอนอยู่ที่พุทธศติก็ปรากฏว่านักเรียน ตั้งแต่อนุบาลไปจนไปถึงม .6 นะเจริญสติทั้งทั้งโรงเรียนเลยที่เรียนร่วมกันะนะก็เป็นเรื่องที่ทั้งครูนักเรียนเรียนร่วมกันได้เลยครูก็ได้พัฒนาตัวเองนักเรียนก็สนุกในการเรียนเพราะฉะนั้นแที่จะให้นักเรียนมานั่งหลับตาใช่ไหมก็ให้นักนเรีย น, นยกยมือสร้างจังหวะเดินโยกกลมเรียนอีกนักเรียนหนึ่งที่อาจาริยามาสอนเอาไว้ก็คือเรียนจุฑาวรเป็นโรงเรียนอนุบาลนะอันนี้ก็ เวลาพักกลางวันนักเรียนจะเดิยนยู่้มทั้งสร้างเยาวะกันแต่ไม่ต้องมาเข้าเลยทําใครทํามันน่ารักมากเลยนะถ้าใครอยู่กรุงเทพและมีโอกาสไปดูที่โรงเรียนจิตาวรอนนะเดี๋ยวจะหาว่าเอามาเอามาโฆษณานะต้องไปดูของจริงดูหน่อยนะหรือไปดูที่ขลุสจิก็ได้โรงเรียนมีคอร์สนะอันนี้คือสําหรับโรงเรียนและนักเรียนก่อนเราจะได้ผลแล้วก็การการนำมาใช้กับ ความคิดนะคะหนวพ่อความคิดอย่างความคิดของเราเนี่ยทั้งดีทั้งไม่ดีอย่างนี้ค่ะอ๋อหรืว่าเวลาเราเจริญสติแล้วเราจะคิดเรื่องการเรื่องงานได้ไหมสมองนั้นนะะตามบุทธว่าเราเอามาใช้กับความคิดเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดอะไรเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจคิดเราคิดไปตามเหตุตามการที่มันเข้ามาใช่ไหมเราก็คิดว่าเราคิดเราไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ตั้งสมาธิคิด แั้ความคิดเลยออกมาเป็นความตึงเครียดและความทุกข์เพราะบริการลุงแต่งข้างในแล้วไปบีบพันให้ให้ความคิดด้วยความอยากคิดเดิมหน้าของความอยากคิดเดิมหน้าของจันหายิ่งคิดมันก็ยิ่งวุ่นเพราะมันพันกันอไม่ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนมันปนกันมั่วหมดแก่มันก็ปวดหัวดิแต่พอมาเจริญสติแล้วมันตั้งใจคิดเรื่องใดเรื่องหนึง่งคิดเรื่องนี้จบแล้วก็ไปคิดเรื่องนี้ ทีเรื่องนี้จบแล้วถึงจคิดเรื่องนี้การที่คิดด้วยสติมันกลายเป็นปัญญาแต่การคิดด้วยความอยากหรือกัรหามันกลายเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรามาเจริญสติแบบนี้ปรากฏว่าเราคิดได้ดีมากเพราะคิดทีหลาเรื่องแต่เมื่อก่อนพรเราไม่มีสติคิดทีละหลายๆเรื่องเรื่องนี้ยังไม่จบเอาเรื่องนั้นมาแล้วเรื่องนี้ไม่จบเรื่องมันก็เลยปนกันมั่วเลยแต่ถ้าหลังจากเราเจริญสติแล้วเราคิดทีหลายเรื่องหลเรื่องเรื่องไหนทําได้ เรื่องไหนทำไม่ได้เรื่องไหนคิดแล้วทำไม่ได้ไม่เสียเวลาคิดเรื่องไหนคิดแล้วทำได้ทำเลยมันก็งานก็สำเร็จและสำเร็จด้วยดีด้วยเพราะว่ามันมันมีการใช้อ่าสติใช้สมาธิตใช้ปัญญาในการคิดไม่ได้ใช้ความอยากคิดอันนี้คงสร้างต่างๆความคิดก็จะเปลี่ยนไปนแล้วก็ใช้พัฒนาจิตใจ าการเจริญสติของหลวงพ ai, ่อเทียนใช้พัฒนาจิตใจค่ะออกสียพัฒนาจิตใจความคิดก็เรื่องเดียวกันพัฒเดนเราคาือวิจัยจิตใจคือพัฒนาตัวสติสมาธิปัญญานี่เองนะจิตใจมันก็เข้มแข็งขึ้นเหมือนกับว่าเราชารัดไปเนี่ยเมื่อก่อนนี่เราชารัดเต็มแล้วก็ไปใชแ้แบบไม่มีระบบยัดเราติ๊กไปเรื่อยเปื่อยทําให้ไม่มีการ off และออนไม่มีนะพ อ, อปะเปิดรับก็ใช้จนหมด หมดแบตเตอี่เลยหมายความว่าพ อ, อ, อเข้าไปในความคิดๆจนจนหมดเรื่องหมดเราคิดจนหมดอเรียกว่าหมดกําลังอะ่ะ <c oughs> แต่พอเรามาเจริญสติแล้วมันรียว่าเราสามารถปิดเปิ ด, ปดความคิดได้ต้องการคิดกคิดได้ไม่ต้องการคิดก็ไม่ต้องคิด <c oughs> มันสามารถต้องการใช้ก็เปิดไม่ต้องใช้ก็ปิด <c oughs> สามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ได้ <c oughs> ออันนี้มันก็เป็นการบริหารทําให้จิตของเราเนี่ย ว่างจากสิ่งที่วุ่นวุ่นวายแล้วก็พอทีเ่เจ็บก็จบ<ม>แต่เมื่อก่อ น, นคิดทีดแล้มันไม่ไม่จบใช่ไหมไม่คิดต่อไปเรื่อยๆ<ม>แต่หลังจากมาเจอเรื่อ จ, จบเรื่องไหนก็เรื่องนั้นใช่ไหมจบแล้วก็จบปิดแล้วก็ว่างออันนี้มันเป็นประโยชน์มากเลยนะอันนี้เป็นคําถามต่อนดนึงค่ะหลวงพ่อศาสนาในความเป็นจริงคนเป็นยังไงคะหลวงพ่อ ในนีิยามความศักคำว่าศาสนาในในความหมายวิธีการพูดศาสนาคือคนค่ะแล้วก็คนคือศาสนาตัวคนเนี่ยคือตัวศาสนาคือว่าแต่ถ้าหาข้อศาสนาคความหมายทั่วไปคือแปลคําสอนค่ะไม่ได้หมายถึงผู้ได้ศาสนานะะใครสอนเรื่องอะไรถ้าคนนี้สอนเรื่องการกเจตก็ศาสนาแกเจตคนนี้สอนเรื่องกฎหมายก็ศาสนากฎหมายความรู้คําสอนนั่นคือศาสนาคนทั่วไปนะค่ะ แต่ว่าการจะทําด้วยสติ ส, สมาธิปัญญาตัวนั้นเป็นพุทธศาสนาศาสนาพุทธคือศาสนาของทําให้เกิดความรู้อะไรก็ตามที่มาทําให้เราเกิดความรู้จักตัวเองเนี่ยเป็นพุทธศาสนา<ม>แต่ความรู้ชนิดใดก็ตามที่ไม่ได้ทําให้คนรู้จักตัวเองความรู้ฉะ น, นั้นไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นศาสนาอืน่น<ม>นะเป็นคําสอนแต่ว่าไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาเพราะพุทธภแปลว่าปัญญา พุทธิใชุ่ทธิปัญญาดังนั้นเองถ้าหากว่าเร า, าได้รับความรู้มาแล้วความรู้นั้นทําให้เราเกิดปัญญาสามารถที่จะเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองได้นั้นก็เรียกพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาที่ใช้สิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราสอนเรื่ทั่วไปนะเป็นพุทธประเพณีเป็นเป็นพุทธศาสตร์เป็นพุทธะ อาศาสนพิธีนะเป็นศาสนพิธี <c oughs> เป็นอะไรศาสนวัตถุศาสนะบุคคลศาสนสถานแต่ตัวพุทธนั้นเป็นศาสนธรรมนะทำให้เอาคำสอนมาพัฒนาตัวเองได้เป็นพุทธศาสนาก่อนแล้วก็บาปบุญตามความเห็นอหลวงพ่อเป็นยังไงค ะ, ะที่พูดไัตินเช้าบาปคืออะไรบาปคือไม่รู้สิตัว บุญคือรู้สึกตัวอันนี้ความหมายตรงๆของกุศเรียนน ะ, <ฮ> ะ, ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะทําบุญก็ให้ทําความรู้สึกตัวก็บุญก็เกิดขึ้นน ะ, <ฮ>ะถ้าเราอยากจะทาบาปก็ไม่ยากก็ลืมลืมตัว่ฉยๆบาปก็เกิดเองอยู่นะเพราะฉะนั้นแต่ว่าบาป บุญในนิยามตามตำราก็าบาปคือความเดือดร้อนใจในสิ่ง <c oughs> ที่เราทำเราพูดเราคิดไปแล้วทำให้เดือดร้อนใจในภายหลังนั่นเรียกว่าบาปใช่ไหะ <c oughs> บุญก็คืออะไรก็ตามพูดทำคิดไปแล้วทำให้ดีใจสบายใจอิ่มใจอันนั้นเรียกว่าบุญอันนั้นในนิยา ม, ามตามตำรานนะแต่ <c oughs> นิยามตามคำสอนของข้อเทียนก็คือทำอะไรที่ให้รู้สึกตัวทำแล้วให้ใจดีอันนั้นเป็นบุญหมดทำอะไรที่ไม่รู้สึกตัวทำให้อะไรให้เกิดความ อ่าไม่สบายใจวุ่นวายใจทำให้น้อยใจเสียใจหุ่นใจโมใจนั้นเป็นบาปหมดอันนี้คือความหมายที่ที่หลวงพ่อเทียนหมายถึงตัวนั้นะนรกนรกสวรรค์ขนงพ่อตามความเห็นของหลวงพียามความเห็นในภาคปฏิบัตินั้นแบบหนึ่งในภาคปริยัตินั้นแบบหนึ่งนะนรกสวรรค์ในภาคปริยัติหมายถึงว่าอ่า นรกคือผลของการทําบาปทําให้เดือดร้อนใจน ะ, ะเดือดร้อนใจนะแล้วก็สวรรค์คือผลของการทําบุญทําดีทําให้เกิดดีใจนรกรปลว่าทําให้ใจนี่มันรกด้วยสิ่งที่อความเดือดร้อนความทุกข์ทั้งหลายใจมีรกลุ่มลางทะเลวันนรกะนะแล้วบุญนี่คือจิตของเรามันเต็มไปด้วยความสบายเต็มไปด้วยความสุขเรื่องบุญแปลว่าเต็มใช่ไหม นรกแต่ว่าไม่เจริญนะแต่ว่าในภาค ป, ป, ป, ป, ปฏิบัติเนี่ยนรกที่ท่านที่ท่านโบราณนิยามง่ายว่าสวรรค์นในอกนรกในใจนะดังนั้นนรกที่แท้จริงก็คืออะไรก็ตามที่ทําให้ใจไม่สบายเป็นเหตุให้เกิดนรกหมดแต่มันจะเรื่องสบายทําให้ลึกให้ตื้นเ่องสบายที่ลึกๆที่ทําให้เราไปจิกไปจมอยู่นั่นนรกถึ่งนั้นก็ลึก เรื่องบางเรื่องมันทำให้ไม่สบายใจนิดหน่อยแล้วออกไปได้นรกถุนนั้นก็ตึ้นและออกมาได้เร mm hmm. ตอนนั้นเรื่องไหนที่เราไปจมนานเกินไปแล้วก็ตกนรกนานเรื่องไหนที่ไปจมไม่นานก็ตกนรกไม่นานนะคือ ท, ทาให้ใจไม่สบายเรียกว่าตงนรกหมดนะสวรรค์ทําอะไรพูดไปแล้วคิดไปแล้วสบายใจนั่นเรียกว่าเป็นสวรรค์ได้แต่ว่า ในนิยามนิสัยการของเหล่านี้มันหมายถึงว่านรกใต้ดินหรือสวรรค์บนฟ้าน ะ, ะคือสวรรค์นในอกนรกในใจนั่นเองในนิยามใหม่นะเราจะเอาสวรรค์แบบไหนนรกแบบไหนก็เลือกเอานะเอาที่มันกค่แค่ตัวหรือเอาที่ไกลไกตัวเอาที่ใกลใกลตัวนี่โอสกุกนรกลึกมากนะก็เลยจะปื้อเนีย่ ย, ยแต่ถ้าหาเอ า, เอานรกสวรรค์ใกล้ๆตัวเนี่ยสกุกนรกก็สุกขึ้นได้จะปิดสวรรค์ก็ลงมาได้ไม่ค้างนะ อันนี้ขึ้นอยู่กับ ว, ว่าตัวสติสมาธิปัญญานั่นเองเป็นเหตุให้ไปสวรรค์การที่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิไ ม, มมาธไม่มีปัญญาเป็เหตุให้ไปนรกนั่นเองในข้อนี้น ะ, ะแล้วก็เรื่องของฌานหรือญาณ น, นะคะหลวงพ่อมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคะฌนะานหรือญาณ น, นะคะอ๋อที่ต่อเ บ, บื้องต้นว่าฌานเป็นลักษณะของสมถะญานเป็นลักษณะของวิปัสสนา แต่ตัวฌานนั้นทำให้เกิดยานแต่ถ้าเรามียานแล้วไม่จำเป็นต้องมีฌาน<ะ>เพราะตัววิปัสนาใช้ยานแต่ว่าสมถะ น, นั้นใช้ฌานเพราะฌานแปลว่าเพ่งแปลว่าเขาแปลว่ากดข่มบังคับให้กิเลสมันร้อน<ะ>แต่ตัวยานนั้นมันมีสองอย่างเหมือนเราจะทำลายหญ้าทำลายวัชเพื่อนเนี่ยคนเพืไปเผา ไปพวกหนึ่งไม่เผาแต่ใช้วิธีอะไรไถแล้วลก็ถอนอันไหนมันแน่นอนกว่าไถแล้วก็ถอนอ่ะไถแล้วก็ถอนเนาะค่ะไถกลบให้เป็นปุ๋ยไปเลยแต่ว่ามันเกิดมาแล้วก็ขี้ยาขายาะก็เผ า, าขี้ยาขยะเดี๋ยวก็เกิดมาอีกก็ฉีดอีกไข้ไม่จบเพราะนั้นฌานเพื่อทำจิตให้สงบนั้นเหมือนว่าไปกดทับเอาไว้พอมันขึ้นมาก็กดทับเอาไว้ พอกิเลสขึ้นมาก็ไม่ไม่เลยนะเพราะนั้นฌานที่ถูกต้องคือการเผากิเล ส, สญญ<ม>แล้วมันจะเกิดตัวปัญญาเมื่อเผากิเลสแล้วเกิดตัวปัญญาญาณมันก็เกิดเพราะญาณมันเกิดก็คือไม่ให้กิเลสถอนวิธีหาวิธีถอนลาภกิเลสนั่นเองหรือว่าญาณแต่หาวิธีเผากิเลสนั่นเป็นฌานจิตเดิมแท้ตามทัศนะของหลวงพ่อเป็นยังไงคะ อันนี้เป็นจำนวนหายานนะค่ะอมามใชาักับว่าออ <c oughs> ริจินัลไม้หรือพุทธกิจหรือโพธิจิตเนี่ยก็ว่าเป็นจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ทุกคนมีอยู่แล้วคือความรู้สึกตัว<ะ>ความรู้สึกตัวนี้คือจิตเดิมแท้เมื่อเรารู้สึกตัวปั๊บเนี่ยมันยังไม่มีความคิดอะไรนะรู้สึกตัวในขณะนี้เรานั่งอยู่นะอันนี้เราพูดอยู่นะอันนี้เราทําเรื่องนี้นะขนาดที่กายกับใจไปด้วยกันจิตเดิมแท้ปรากฏค แต่เรามักคือว่าจิตเดิมแท้ประเภททฤษฎีก็คือว่าโอจิตเดิมแท้ต้องใช้สะอาดต้องอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้ติดธรรมอธิบายเพิ่มเติมเนาะแต่จิตเดิมแท้คือกายกับใจอยู่ร่วมกันก็ปรากฏจิตเดิมแท้ก็ปรากฏคือในขณะนั้นจะไม่มีความคิดแต่การที่ความคิดแทรกเข้าไปนั้นเป็นจิตไม่ใช่จิตเดิมแท้แล้วเป็นจิตที่เริ่มถูกลวงจิตถูกปนถูกกลอมออกมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราว สติตเดิมแท้จะไม่มีความคิดจะมีความรู้สึกตัวล้วนๆแล้วเวลาทําการทํางานทําแล้วก็ให้รู้ตัวไม่ได้ทำด้วยความคิดนะทําด้วยความรู้นึกรู้ตัวลักษณะนี้เป็นจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้คือว่างจากความคิดมหยายานที่ใช้คําว่ า, อ, าอิญญาตานะี่เป็นจิตที่ว่างจากความคิดเรียกว่าจิตเดิมแท้อนะแต่อีก อ, อันหนึ่งท่านใช้คาว่าประพัชรจิตสิจิตประพัชสอน ต่อพัระมิทางจิตตังอาคันจุเกเสจิอุปกริถังโดยจิตเดิมแท้นั้นสะอาดผ่องใสแต่เมื่อมีอุปกิรียคือความพลิ้วจอนเข้ามาจิตนั้นจึงได้เศร้าหมองไปจิตที่เศร้าหมองเพราะอุปเครียคือความพลิ้วจอนเข้ามาตรงนี้เป็นจิตที่เก่าแล้วเศร้าหมองแล้ว ทีนี้นอยากจะให้จิตนั้นกลับมาเป็นจิตเดิมแท้ใหม่ก็ต้องตลัดบกิเลสตลัดความคิดออกไปจิตก็กลับมาใหม่เหมือนเดิมเพราะฉะนัน้นทุกคนมีจิตเดิมแท้อยู่แล้ว ห, หะแล้วก็คําถามสุดท้ายค่ะหลวงพ่อนิพพานตามสันทนะของหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างคะนิพพานนิพพานแตลว่าใจเย็นแล้วคนไหนใจเย็นคนนั้นก็มีนิพพานอยู่แล้วแต่ถ้าใจเย็นนี้ใจเย็นทั่วครั้งชั่วคราว ก็เป็นนิพานชั่วคราวถ้าใจเย็นตลอดไปเขาด่าเขาว่าเขานินทาเขาสุ ป, ประมาศเขาสุปเขาดีก็ใจเย็นเฉ ย, เฉยไม่โกรธตอบไม่ว่าตอบไม่เป็นทุกนะก็ะเลยเป็นนิพานนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้นิพานมันเป็นเรื่องที่เราคิดไปไกลตัวว่าจะต้องเข้ามันก็ใช่นะแต่ว่ามันไกลตัวเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้เอา สมมติว่าเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าเราไม่มีเมล็ดมาเนี่ยต้นไม้จะเกิดไหมไม่เรับเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเป็นเมล็ดของนิพพานเป็นพืชเป็นเมล็ดพันธุ์ของนิพพานถ้ากายกับใจมาอยู่ด้วยกันปั๊บเนี่ยเหมือนกับน้ํากับดินมาอยู่ด้วยกันกายเหมือนดินใจเหมือนน้าแต่ถ้ามันอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่เนี่ยตัวเย็นของดินของน้ําตัวนี้มันก็จะทําให้เกิด พืชพันธุ์ยาหารต่างๆอันใดก็ดีเมื่อจิตของเรากายกับใจมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนแต่เหตุกายกับใจไม่อยู่ด้วยกันมันก็จะเกิดตัวร้อนขึ้นมาราคะโทสะโมหะเข้าไปแต่กายกับใจอยู่ด้วยกันราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นสาเหตุของความร้อนใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ากายกับใจมันอยู่ด้วยกันราคะโทสะเกิดไม่ได้จิตมันก็เย็นเหมือนบินมันชุ่มตัวหมายมันก็เกิด มื่อสิ่งเย็นและคุณธรรมต่างๆแปดหมื่นสี่พันเกิดเหมือนยาที่มันเกิดจากดินชุม่มนะแต่ตรงไหนแค่ดินแห้งแล้วเป็นไงนต้นไม้<ส>มก็ตายหญ้าก็ตายเ<อ>ามืม่อส<า>ิ่งของเราตายกับใจอยู่น้ําอยู่ส่วนหนึ่งดินอีกส่วนหนึ่งเกิดอะไรไหมแห้ง แ, งแ้งดินก็แห้งน้ําก็ หากยากก็เกิดไม่ได้พอดินจะนั่งมาผสมเงินเข้าปับมันเกิดความซุ้งเย็นยากมันก็เกิดกายกับใจถ้ามันอยู่คนละแห่งเราทํางานอยู่ตรงนี้ใจเราเป็นทิดไหนไม่รู้แสดงว่าตรงนี้ไม่มีใจเลยใจเราก็จะแห้งแรงไม่มีสติสมาธิในการทํางานเราก็เกิดความท้อใจเสียใจน้อยใจได้เงินมากก็ดีใจได้เงินน้อยก็ไม่อยากจะทํางานเกิดภาวะเป็นทุกข์ในการหวังในผลงานตรงนี้เขาเรียกว่ากายกับใจเกิดความร้อนละ เพราะความอยากเขาไปแทรกแต่กายกับใจอยู่ด้วยกันด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวปั๊บนิภานคือความเย็นก็เกิดหรือว่าเย็น อ, อกเย็นใจ<ฮ>ะนะในรักษณะนี้ซึ่งมันก็ง่ายใช่ไหมอันนี้ก็คุนองถามรักั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เดือ น, นี้ทั้งสามท่านเปคนถามคนละหนึ่งปัญหาที่สี่ท่านนี้นะ ขอโอ ก, ก, กาส ข, ข, ขอบพระคุณความเมตตาของหลวงพ่อที่ให้โอกาสค่ะขอมุทนาจาธุนะาสาธุค่ะ ข, ขอเรีนเชิญกูตายค่ ะ, คคะให้โยมถามหลวงพ่อเลยคะเออฟังแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยววัศนนาดีจาร์ถามว่าเขาถามไม่กูตายฟังแล้วเป็นยังไง<อ>เข้าใจอะไรไหมหรือสนใัยอะไรไหมก็ จริงๆแล้วเหมือนเป็นคำถามพื้นนที่เราที่เราเหมือนว่าบางคนก็น่าจะรู้หรือว่าคือคำถามเนี้ยอาจจะไม่น่าใช้ฐานแต่ปรากฏว่าพอฟังไปแล้วเออพอได้ยินหลวงพ่อตอบแล้วคำถามพื้นๆเนี่ยกลับเป็นคำตอบที่ที่เรารู้แต่มันไม่ชัดอะคะ่ะมันรู้แบบคลำคลำพอหลวงพ่อพูดตอบคาถามของคุณ น, น่องก็ ทำให้สิ่งที่มันไม่ค่อยชัดอยู่เนี่ยมันชัดขึ้น mm hmm. ก็ด้จาจุดนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหน้องด้วยที่ที่ใช้คําถามที่จริงๆแล้วอ mm hmm. ืมันเหมือนกับง่ายๆ mm hmm. แต่ปรากฏว่ามันเป็นคําถามที่เราพบอยู่ทุกวันทุกวันนะคะหลวพ่อคะ่ะน mm ั่นจุดนี้ก็เลยไม่สงสัยใช่ไหมก็เลยไม่สงสัยอค่ะเพราะว่า เพราะว่ามันเหมือนกับการเคลียเราไปด้วยนะคะเป็นเป็นการเคลียไปนในใจแล้วก็คิดว่าเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบที่ที่ง่ายแล้วก็ตรงๆงซึ่งน้องๆแล้วก็พี่ๆแล้วก็เพื่อนๆ น, น่าจะอยู่ในสภาวะที่เข้าใจได้นะคะเพราะว่าหลวงพ่อตอบมันมัน ชัดแล้วก็มันธรรมดาเหมือนกับว่ามันเป็นจริงอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อไม่ได้ซิกแซ็กไปทางไหนอะค่ะใกล้ตัวนะค่ะมันใกล้ตัวแล้วก็เป็นคำถามด้วยว่าอย่างเงี้ยในครอบครัวทุกคนก็มีครอบครัวการงานทุกคนก็มีการงานเป็นผู้ฟังเป็นผู้พูดคือคือจริงๆแล้วคำถามที่คุณหน่องถามมานี่มันเป็นชีวิตประจําวันของเราจริงๆนะคะก็ก็ต้องขอบคุณตรงนี้ทีหนึ่งคุณยื่มีอะไรแสง แล้วก็ของนี้ก็ไม่ไม่ได้สงสัยเพิ่มเติมค่ะหลวงพ่อก็เหมือนที่ครูต่ายแจ้งก็คือเหมือนกับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งซึ่งทําให้เราเหมือนให้เราเข้าใจพื้นฐานให้แน่นขึ้นค่ะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือสิ่งที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยต้องเอาไปใช้หรือต้องปฏิบัติและจะเข้าใจอย่างมากขึ้นว่าหลวงพี่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันเป็นจริงๆหรือเปล่าต้องไปปฏิบัติอีกทีห น, นึ่งค่ะคุณ มีอะไเพิ่มเติมหรือใส่ไม่สาหัแล้วชือกันเตียให้มีคัดก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคุณหน่องนะคะที่ตั้งคำถามทำให้พวกเรามีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาพุทธเพิ่มมากขึ้นต้นเองก็เพิ่งเข้ามาปฏิบัติได้ไม่นานนะคะเมื่อเมษาปีนี้เองนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยที่หลวงพ่อตอบเนี่ยทำให้ต้นเข้าใจ ชัดเจนขึ้นว่าปฏิบัติไปเพื่ออะไรนะคะจะเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่ก็นิดว่าทุกคนที่ได้ฟังหลวงพ่อก็จะมีความเข้าใจว่าทำไมเราต้องปฏิบททัติธรรมมันมีประโยชน์ยังไงในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิ ที่หลวงพ่อให้มาตลอดตั้งแต่เปิ้ลได้พบหลวงพ่อแล้วก็มีความศรัทธาในตัวหลวงพ่อแล้วก็ในแนวทางการปฏิบัติในสาย อ, อแนวทางการเคลื่อนไหวอันนี้นะคะก็สุดท้ายก็หวังว่าพวกเราจะได้ประโยชน์แล้วก็เ อ, อนําสิ่งที่หลวงพ่อให้เราเอากลับไปใช้แล้วก็เ อ, อมีความเพียร ที่จะทํานะคะตรงนี้ต้องอาศัยความเพียรต้นตัวม เ, เองก็ได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมแล้วก็ความเข้าใจจากหลวงพ่อเนี่ยมากเลยนะคะนอกจากเรื่องของจิตใจแล้วในเรื่องของร่างกายก็ได้ด้วยนะคะในเรื่องของการออกกําลังกายต่างๆสุขภาพก็ดีด้วยะคะ่ะขอบคุณค่ะขออีกนิดนึงค่ะก็ จ า, จากประสบการณ์ที่ปฏิบัติทำแล้วก็จากการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วก็ครอบครัวขอยืนยันว่ากี่ข้อนะคะคุณน่องที่ถามมาเ่เยะอะไหมคะประมาณกี่ข้อฮะประมาณสามสิบกว่าข้อคะเมื่อกี้ที่คาถามขอยืนยันนะคะว่าได้พบจริงๆแล้วก็ทุกน้อยจริงๆอันนี้คือทั้งสามีนะคะคุณรัชันแล้วก็ตัวคุณไถ่เอง ได้พบในส่วนที่หลวงพ่อพูดมาแล้วจริงๆก็เลยอยากการันตีค่ะก็อยากให้กำลังใจผู้ปฏิบัติว่าถ้าเรามีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรที่จะทำแล้วก็รักษาในส่วนที่เราได้ทําความเพียรนั้นไว้นะครับประคองเมื่อเมื่อเรากระทบนะคะแล้วก็ปัญญาที่มันจะมาใช้นั้นมีจริงค่ะทุกค้าอ็เคมีเนาะ ก็ขอรบธนาสาธุในความตั้งใจของอคุณน้องที่จริงอะไรนะชื่อเกื้อกูลค่ะหลวงพ่อเกื้อกูลมูลทาค่ะมุลธานะเมื่อกี้ไม่ได้บอกคณะทธาว่าปฏิบัติว่าโยมมาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยนะคะเป็นวิไลสงฆ์นะคะซึ่งหลายท่านอาจจะมองว่าผู้หญิงเรียนไม่ได้ที่จริงเรียนได้นะคะ ก็ถ้าใครสนใจที่จะศึกษาพระศาสนาทางด้านวิชาการก็ขอเดินเชิญค่ะมีทั้งปโทปตีนะคะก็เป็นว่าเราได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธว่าญาญุมก็เป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจฟังเข้าใจแล้วผู้ถามก็ทำหน้าที่ที่ดีให้การสักถามที่ตรงเรื่องตรงประเด็นก็ให้นำเอาทั้งหมดนี้ไปพิจารณาศึกษาและพิสูจน์ แต่คําพูดก็คือคําพูดนะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทั้งสามส่วนทึงเราไปทําด้วยกายด้วยเราไปทำด้วยใจด้วยถ้าครบทั้งสามส่วน เ, เข้าใจในสิ่งที่พูดแล้วก็เอาสิ่งที่พูดไปพิพจารณาเห็นความจริงแล้วความจริงที่พิจารณาเห็นแล้วไปทําให้มันเกิดมักเกิดผลก็จะสําเร็จประโยชน์ก็ขอบอูรนาสาธุในาญาโยงทั้งหลายที่ตั้งใจฟังและศึกษา เพื่อที่ให้เกิดปัญญาสามารถนำไปแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตของตนจนสามารถไม่ชีวิตที่ไม่มีปัญหาที่พ้นจากปัญหาและความทุกข์เพอการทุกคนทุกท่า น, นคื อ, อกลับลับคุ้กันนะ ระหังสัมมาสัมพุทโธพระข่าวาพุทธังพระขวานังอาธิวาเนมสวะข้โตัพะวะตาธรมโมธมังนามสามี สุปาติปันโนภาะวโตสาวกาสังโฆสังขังนามี